พือพากันตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นการฝึกขนตนความไม่ตั้งใจในี่ชื่อว่าไม่ฝึกขนตนคำว่าตั้งใจก็คือตั้งสติสัมปชัญญะทำความระลึก ระลึกรู้สึกกายรู้สึกใจนี่เรียกว่าความตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่ในปัจจุบันนี่อันนี้นะจึงเรียกว่าเริ่มภาวนา เพราะฉะนั้นแล้วจิตมันจะไม่ยอมรวมลงไปได้มันจะต้องพุ่งออกไปข้างนอกลงขาดสติควบคุมเพราะฉะนั้นไม่พึ่งพากันตั้งสติให้เข้มแข็งเพ่งเข้าไปภายใน หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาความรู้นั้นเป็นหลักเลยความมุ่งหวังก็เพื่อที่จะให้สติมันยังเข้าไปหาความรู้อันนั้นนหละให้ไปประคองความรู้นั้นเลยอย่าให้มันคิดส่งออกไปข้างนอก อันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นของการภาวนาที่ท่านสอนเดีว่ากำหนดใจอย่างนี้นะนั่นนะธรรมดาใจนี้ถ้าว่าไม่ได้กำหนดมันอย่างนี้มันจะไม่หยุดคิดอ่ะมันจะคิดไปตามอารมณ์ที่มันเคยคิด หรือว่ามันคว้าได้อันใดมันก็คิดถึงอันนั้นไปท่านพอกำหนดจิตอย่างนี้ก็หยุดคิดแหละนังนั้นคำว่ากำหนดจิตนี่ก็หมายความว่ายับยั้งความคิดนั่นเองเนี่ยทวนกระแสความคิดความนึกกลับคืนเข้าไป ปัจจุบันปัจจุบันเมื่อมันไประลึกเข้าไปในปัจจุบันได้มันก็ไม่คิดแในวันนี้จิตนะไม่คิดส่งไปข้างนอกมันก็จะรู้อยู่แต่กายรู้อยู่แต่จิตเรียกว่าตนเองรู้ตนเองก็ว่าได้ จิตรู้จิตนั่นแหละสำคัญเมื่อจิตรู้จิตแล้วมันก็หยุดได้หยุดความคิดความนึกได้เพราะว่าตนต้องการความสงบไม่ต้องการความฟุ้งซ่านเลื่อนรอยมันเป็นทุกข์ปล่อยใจให้เลื่อนรอยไปล่ะ หยุดหยุดอยู่นิ่งอยู่ได้มันก็เป็นสุขสบายดีนั่นคนเราก็ต้องการความสุขนี่ถ้าเสวงหาไม่ถูกมันก็ไม่ได้ความสุขนี่นะดัะนั้นผู้ต้องการความสุขแล้วให้พึ่งมาพยายามทําใจนี้ให้สงบลงไปอย่าไปท้อถอย ถ้าท้อถอยแล้วก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่การทำใจให้สงบต้องเข้าใจอย่างนั้นความสุขอย่างอื่นนั่นมันไม่แน่นอนหรอกมันอิงอาศัยวัตถุต่างๆภายนอกเมื่อวัตถุเหล่านั้น แปรปรวนไปแล้วความสุขนั่นมันก็หายส่วนความสุขอันเกิดจากความสงบนี่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดอิงอาศัยแต่สติสัมปชัญญะนี่แหละอันเมื่อสตินี้ยังยับยังอยู่ภายในจิตใจนั่นตราบใดแล้วก็จิตนี่ก็สงบอยู่ตราบนั้นแหละ ถ้าสตินี่มันถอนก็แสดงว่าสมาธิถอนนั่นเองเนี่ยดังนั้นเนี่ยสติกับสมาธิจึงคือว่าเป็นคู่กันเลยพลากกันไม่ได้อืมให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อสติยังอยู่สมาธิมันก็ยังอยู่หมายความว่า เมื่อสติเข้าไปประคองอยู่จิตก็ตั้งมั่นอยู่ได้นั่นเองเนี่ยถ้าสติห่างออกไปแล้วจิตก็ถอนจากความสงบเริ่มคิดหาอารมณ์ต่างๆเรื่อยไปเป็นงั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึงสันนิษฐานดูผู้ใดสันนิษฐานดูก็รู้ได้ เมื่อรู้แนวทางอย่างว่านี้แล้วมันก็ลงมือกระทาไปเรื่อยไม่ต้องสงสัยลังเลอะไรเมื่อเราเห็นรูทางที่ถูกต้องแล้วทําไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือได้ความสงบใจอยู่นาน ใจนี่เมื่อทำให้สงบอยู่ไปนานมันก็มีกำลังเข้มแข็งมันก็เด็ดขาดเรากำหนดใจว่าละสิ่งนี้แล้วนั้นก็ละได้จริงจรง น, น, นี่ใจที่เข้มแข็งด้วยสมาธินะี่เราจะกำหนดรู้หรือเห็นสิ่งนี้อย่างนีนะ้มันก็รู้ก็เห็นไปได้ ขอให้ใจตั้งมั่นซยอย่างเดียวแล้วมันรู้ได้แต่ว่าก็รู้ได้ตามวาสนาบา ร, รมีของตนที่บำเพ็ญมาเช่นท่านผู้บำเพ็ญคุณพิเศษต่งตางๆมานั่นอันนั้นเช่นอย่างว่า้ะลึกชาติผนหลังได้อย่างนี้นะอันนั้นท่าน ตั้งปณิธานความปรารถนามาแต่ชาติก่อนนน้นหรือว่ารู้จิตของผู้อื่นได้หมุนีหรือว่าแสดงฤทธิ์ต่างๆได้หมุนีอันนี้มันเกิดจากความปรารถนาของแต่ละท่านที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาในสงสาร ถ้าใครต้องการคุณพิเศษอย่างนี้ก็ปรารถนาเอาถ้ามีความปรารถนาอยู่อย่างว่านี่นการบําเพ็ญในชาตินี้นันไม่มีทางสำเร็จลงได้แม้แต่พระโสดาบันอย่างนี้ก็สำเร็จไม่ได้เพราะว่าเมื่อปรารถนา มีคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นมันต้องสร้างบุญบารมีให้ให้เข้าขั้นนั่นซะก่อนเมื่อบุญบารมีมันเต็มในขั้นนั้นแล้วมันถึงจะบรรลุมรคนธรรมวิเศษได้พร้อมทั้งคุณพิเศษเหล่านั้นผู้ที่ไมด้รปรารถนาคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นเพียงแต่น้อมจิตตรงสู่ความสงบ ฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณาทมที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปบางทีก็อาจจะบรรลุมะขผนในปัจจุบันชาตินี้ก็ได้ผู้ไม่มีอันธะ กับเรื่องอื่นๆดังกล่าวมานั้นดนะังนั้นก็เรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเสรีภาพของบุคคลแล้วแต่ผู้ต้องการผู้ต้องการพ้นทุกข์โดยเร็วอย่างนี้ก็ต้องมุ่งต่อความละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปโดยส่วนเดียว ไม่ต้องมุ่งอย่างอื่น <Okay. S 1> ก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรการฝึกจิตฝึกใจการกระทำความดีต่างๆมูนี้ก็ดังที่เคยชี้แจงอธิบายมาแล้ว mm hmm. ก็เพื่อมุ่งกมจัด ก, กิเลสออกจากดวงจิตนี่โดยตรง ไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นมเมื่อเพนเช่นนี้ก็ไม่ควรที่จะไปลังเลใจเพราะคุณธรรมแต่ละอย่างนั้นมันล้วนแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสทางนั้นว่าแต่เราบําเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในใจเท่านั้นแหละ<ม><ม>การบําเพ็ญคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในใจ มันก็ต้องเกี่ยวกันกับการบำเพ็ญสมาธินี่แหละเมื่อทำจิตใ้ตั้งมั่นลงไปได้คุณธรรมอื่นมันก็เกิดขึ้นตามกันเช่นขันติธรรมความอดทนอย่างอดกลั้นอย่างนี้นะมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีโรค ก, กระมมบนรใดมันเกิดขึ้นมีขึ้น แกผู้ใดผู้นั้นก็อดได้ทนได้เมื่อมีขันติทมอยู่ในใจแล้วเช่นอย่างว่าเมื่อเสื่อมลาภลงไม่มีเงินไม่มีทองอแล้วก็เสื่อมยศไม่มีผู้มียศก็ถูกลด ถ, ถอดยศออกไปอะไรหมดนี้นะแต่ก่อนเคยได้รับความสรรเสริญเยินยอ จากคนทั้งหลายม า, ยาท่านภายหลังเกิดได้รับความติเตียนว่าร้ายต่างๆแม้จะทำดีอยู่มันก็อาจมีผู้ไม่เห็นดีด้วยมีผู้ยกโทษติเตียนก็มีมนี่มันเอาแน่ไม่ได้นะผู้ที่ถูก ยกโทษติเตียนอย่างนั้นแล้วก็มานึกน้อยเหนือตามใจว่าไอ้เรานั้นทำความดีมาถึงปันนี้มันก็ยังไม่มีผู้เห็นดีเห็นชอบก็ยังมีผู้มากล่าวร้ายโย่หน้าน้อยใจจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นนิสัยนะ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้ท้อถอยต่อ การปฏิบัติไป น, นั่นนบาเป็นความเข้าใจผิดไปเนื้อหมายความว่าเป็นผู้ทาบุญกุศลหวังเอาหน้าหรือปฏิบัติธรรมหวังชื่อเสียงหวังให้คนยกย่องสรรเสริญจึงทำความดีได้ ถ้าการทำความดีลงไปถ้าไมไม่มีใครสนับสนุนเยิยยอก็ท้อใจทำไปไม่ได้ถ้าคนก็มาติชินนินทากดเสียใจคนที่จะทำความดีให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ก็เพราะมันมาบ่านไว้อยู่กับโลกกระทำดังกล่าวมานี่แหละ แล้วก็เรียกว่าทำความดีอิงอาศัยภายนอกแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะพระองค์ไม่ทรงสอนอย่างนั้นบทพระธรรมคุณก็จะว่าโอปะนะญิโกนให้น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจิตใจอันนี้ก็หมายความว่า เราทำคุณงามความดีหมายถึงการทำใจให้สงบอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนภายนอกเลยใครจะสนเบสริญให้ก็ตามใครจะนินทาให้ก็ช่างไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเองน่นะปลอบใจตัวเองสอนตัวเองเอา ตัวเองตัดสินใจลงว่าทางนี้แหละเป็นทางถูกต้องเราเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้แล้วใครจะสรรเสริญหรือนินทาก็ไม่สนเพราะว่าตนมองเห็นทางที่ถูกต้องมองเห็นทางในความสงบอยู่กําลังฝึกใจให้สงบอยู่อย่างนี้ เราก็ไม่ต้องไปยึดถือเรื่องภายนอกแล้วถ้าผู้ใดไปยึดถือเรื่องภายนอกมาเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นจิตก็สงบลงไม่ได้เลยให้พึงเข้าใจต้องมันน้อ ม, มันเพ่งเข้าไปเรื่อยๆไม่ต้องถือสาหาความกับเรื่องภายนอก นี่เพิ่งพากันเข้าใจอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญแม้แต่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ยังมีคนทั้งสรรเสริญทั้งนินทาไปอยู่อย่างนั้นแหละสาอะไรคนธรรมดาสามัญ น, นี่จะไม่ให้ถูกสรรเสริญและนินทา มันจะมีแต่ที่ไหนข้อสำคัญถ้าเขานินทามาเขายกโทษตีเตียนมาก็อย่าละเลยเขายกโทษแล้วเราไม่ดีอย่างโน้อนอย่างนี้ก็มาโกรธดูตัวเองว่าตนเองไม่ดีจริงเหรือขาดตกบกพร่องในความประพฤติอะไรบ้าง มาทบทวนดูตัวเองถ้าเห็นว่าตนนั่นนะไม่ได้บกทร่องอะไรตนก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องอยู่สินตนก็สำรวมระวังอยู่กิจจวัดความดีต่างๆตนก็ทำอยู่อย่างนี้จิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศล ไม่ได้ไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอากุศลต่างๆเมื่อมาทบทวนดูตัวเองเห็นว่าตนเองตอนเองก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมด้วยดีมาเส้นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปวันไหวเลยกับคำนินทาว่าร้ายต่างๆหมดนั้นนะแต่ถ้าเขานินทาว่าตนทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ หากว่าตนก็ทำไม่ดีอย่างที่เขาว่านั้นจริงชะ น, นี่ตนก็จะได้ละความไม่ดีอันนั้นจะไม่ทำมันต่อไปนี่คำนินทานี่มันก็มีทั้งคุณทั้งโทษเหมือนกันแหละที่ให้คุณก็อย่างว่าเพราะว่าการทำชั่วบางอย่างนั้นบางคนทำโดยไม่รู้ตัวก็มีนึกว่าตนทำถูกทาดีอยู่ ตอนไม่ได้เงินได้ยินเสียงผู้อื่นนินทาว่าร้ายมาอย่างนี้เมื่อว่าทบทวนดูจึงรู้ได้ว่าอไอ้ตอนนั้นมันบกพร่องความประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่จริงอย่างเขาว่าหันถ่าพุกไม่ถือเนื้อถือตัวจัดเราก็ยอมรับคานินทานั่นแต่โดยดีแล้วก็ยอมสำรวมระวังต่อไป อย่างนี้ผู้เช่นนั้นละยอมจะเจริญในคุณธรรมนั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ผู้ใดมาหวงความชั่วที่ตัวทำมานั้นไม่ยอมให้ใครมาตาหนิติเตียนเช่นนี้นผู้นั้นจะไม่ก้าวหน้าไปได้เลยให้พึงเข้าใจไว้ก็ผู้ที่เจริญก้าวหน้าไปได้นั้น เมื่อก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมูนีน่แหละไปต้องไม่ย่นย่อท้อถอยถ้าเราอดได้ทนได้เมื่อก็ทำให้ใจของเราตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อกุศลเมื่อก็เรียกว่าใจไม่เสื่อมจากสมาธินั่นเองแหละผู้ได้ทนต่อคำสรเสริญนินทาต่างๆได้ อดทนต่อความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขาเรเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหมูอนี้นะอดได้ทนได้ไม่วันไวจิตนี่ก็ไม่เสื่อมจากกุศลคุณงามความดีถ้าอดทนไม่ได้ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปพุ่งซานไปนี่ความดีก็เสือ่อมมันเป็นอย่างนั้น บุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่มันต้องรักษารักษาจิตดวงเดียวนี่แหละชื่อว่ารักษาบุญกุศลไว้ได้รักษาอย่างอื่นไม่ได้ความดีไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าไม่รักษาจิตรักษาจิตนี่ดวงเดียวแล้วก็ นับว่าบุญก็ดีคุณก็ดีไม่สูญไปไหนจะมาตั้งอยู่ในจิตนี่จนะทำจิตนี้ให้สงบอยู่ได้ถ้าจิตนี้ปราศจากบุญกับคุณนี่แล้วจะตั้งมั่นไม่ได้เลยควบคุมไม่อยู่ถูกกิเลสมันจูงไปให้พึ่งพากันเข้าใจเพราะนั้นการที่ เรามาฝึกใจให้สงบลงนี่ก็หมายความว่าฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพรัฒนาไกลและตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลความดีต่างๆที่ตนกระทามานี่ความหมายของการฝึกใจให้สงบลงไปนั่นะไม่เชะนั้นแล้วก็แสดงว่า ใจนี่ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลความดีอะไรถ้าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านคิดเลื่อนลอยไปภายนอกนู่นนะเพราะว่าบุญคุณไม่ได้มีอยู่ภายนอกนะมีอยู่ภายในใจนี่ตังหากนะใจเระเป็นผู้รับอบุญที่ทำด้วยกายด้วยวาจา ใจและเป็นผู้รับเอาคุณพระรัตนไกรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไว้เป็นที่พึ่งของตอนถ้าใจไม่เริ่มใสแล้วคุณทั้งสามนี้ก็ไม่มีอยู่ในใจของผู้นั้นดันั้นเราเพ่งพิจารณาพระคุณทั้งสามนี้ เอาจนว่าใจมันสงบลงไปอยู่ด้วยคุณนั้นอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าใจตั้งมั่นได้บานีได้บุญได้คุณนี่เป็นกำลังใจใจจึงตั้งมั่นอยู่ได้ในพึงพากันเข้าใจ ถ้าผู้ใดไม่ภากเพียนพยายามโน้มใจลงสู่ความสงบอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่พยายามที่จะสร้างบุญสร้างคุณอันประเสริฐ ด, ดังกล่าวมานั้นให้เกิดขึ้นในใจเอาเป็นที่พึ่งก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ปราศจากที่พึ่ง ใหเพิ่งเข้าใจอย่าได้เจอว่าการนั่งสมาธิภาวนานี่นยะมันเป็นการรวบรวมเอาบุญเอาคุณความดีต่างๆเข้ามารวมอยู่ในดวงจิตแห่งเดวเนี่ยใจเพิ่งเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเราเข้าใจอย่างว่านี้แล้ว ผู้นั้นมันก็ไม่ประมาทการนั่งสมาธิภาวนาในวันนี้ไม่ประมาทเพราะว่าตนเชื่อมั่นแล้วนี่ว่าบุคคลจะมีความสุขความเจริญในขั้นใดๆไ ด, ไ ด, ได้ก็ต้องมีบุญมีคุณนี่เป็นที่พึ่งในใจอยู่ก่อนแล้วมันก็จึงได้รับความสุข ทางจิตใจนี่ได้ในขั้นนั้นนนั้ตนเชื่อมั่นอย่างนี้ก็จึงขยันทําความเพียรสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจถ้าว่าไม่เชื่อมั่นอย่างนี้ไม่เห็นแจ้งในใจอย่างว่านีแล้วนะก็มันก็ขี้ค้า น, นั่งภาวนาสมาธิในคนเราเออ มันจะไปนั่งทําไมล่ะนั่งแล้วไ ม, ไม่ไม่มีจุดมุ่งหมายไม่รู้จักจุดมุ่งหมายของการนั่งสมาธินี่ดันั้นถ้ารู้จุดมุ่งหมายแล้วไม่เกียกร์คลานหรอกคนเรานะมันเตือนตนได้อถ้าตนเกียรคร้านทําสมาธิภาวนาบุญคุณนี่ก็จะเสื่อมจากกิตใจ ตนก็จะไม่จะไม่มีที่พึ่งอันเสริฐอยู่ในใจนี่นมันมันจะต้องเตือนตอนอย่างนี้เสมอแหละธรรมดาคนเห็นแจ้งในหนทางแห่งความสงบสุขได้ <c oughs> ดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจให้ดีๆครูที่ท่านขยันมันเพียนนั่งสมาธิภาวนานั่น ก็ร้อนแต่มีความเห็นดังกล่าวมานี่แหละและมันก็เป็นความจริงแต่ด้วย ม, มันจะมีอะไรดวงกิดนี่ถ้าปราศจากบุญกับคุณนี่แล้วมันก็มีแต่พุ่งต่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเพราะว่าที่เลยตัณหา บาปรธรรมนี่มันจะมาทําใจของคนเรานี่ให้สงบเย็นสบายอยู่นี่มันไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะที่จะพึ่งเป็นไปได้กิเลสตัณหาบาปรธรรมนี่มีแต่ทําใจของคนให้เล่าร้อนให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงสัยลังเลออะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นนะ เนี่ยลักษณะของกิเลสปาปะธรรมถ้ามันเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วมันจะทำใจให้ปวนปันให้เร่าร้อนอยู่งั้นแหละดังนั้นในพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นจงอยู่มีที่พึ่งอย่าอยู่ไม่มีที่พึง่งคนนั ทนาถภิกขเววิหาราถมาอนาถาดูก่อนที่ทุกทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่มีที่พึ่งอยาอยู่ไม่มีที่พึ่งดขุขขังอนาทวิหารติผู้อยู่ไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นทุกข์นังนี้นี่เรา เข้าใจได้อย่างนี้แล้วก่อนบว่าเป็นวาสนานาบุญทีเดียวเนื่องจากว่าบุญกุศลกับบาปนี่เนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์คือมันเป็นศัตรูกันมาแต่ไหนแต่ไรแหละแต่มันอาศัยดวงจิตนี่เป็นที่โยบาปก็ดีบุญก็ดีนั่นเถ้าหากว่า กิจนี่มันเป็นสองแง่สองมุมอยู่อย่างว่านั่นนะเนี่ยบาปกว่าพอใจทําบุญกว่าพอใจธรรมอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าไปทําบาบมากกว่าบุญอย่างนี้ยบุญมันบาปมันก็มีกําลังมากกว่าบุญมันก็ขจัดบุญออกไปได้อมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นสั่งสมบุญกุศลให้มาก กลัวบาปทำบาปน้อยทำบุญมากอย่างนี้อา้าบุญมันก็ขจัดบาปออกไปจากดวงกิจนี่มันจะไม่ยอมให้บาปนั้นมาแทรกซึมอยู่ในดวงกิดนี้ถ้าบุญมันมีกำลังมากเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างนี้แหลดังนั้นพระศาสดาจึงได้จึงได้ทรงสั่งสอน ให้พุทธบรัษัท์เพียรพยายามละบาปและบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่แล้วพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสั่งสอนอให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าปล่อยจิตให้ว่างๆไว้อย่างนี้สักหน่อยบาปมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ ดังนั้นผู้ที่จะขจัดบาปออกจา ก, กจิตใจได้นั่นก็เพราะว่าทำความพอใจในบุญกุศลนี่ให้สม่าเสมอไปแต่ละวันแต่ละคืนไม่ให้ใจเขงตนห่างจากบุญจากคุณ <c oughs> บุญกุศลก็จึงไม่เสื่อมจากตรงจิตของผู้นั่น คุณพระรตะนไกลก็ไม่เสื่อมเพราะผู้นั้นเป็นผู้มีความอิ่มใจมีความเลื่อมใสมั่นในบุญในคุณนั่นอย่างแรงกล้าพราะเมื่อผู้ใดสร้างบุญสร้างคุณนี้ให้เกิดขึ้นในใจแล้วมันก็มีความสุขความสบายใจเห็นด้วยตนเองนี่ เมื่อตนได้รับความสบายเพราะเหตุอันใดมันก็ต้องมั่นใจอยู่ในเหตุอันนั้นนี่ธรรมดาคนเราอ่ะแต่บุคคลผู้ที่ไม่ได้ฟังคำสอนของผู้เทธเจ้าแล้วไม่มองไม่เห็นบุญเห็นคุณอันประเสริฐนี่แล้วมันก็ไม่อิ่มใจ ไม่พอใจที่จะทำความเพียรสร้างบุญสร้างคุณให้เกิดขึ้นในใจของตนแหละเพราะไม่เชื่อหน่ไม่เห็นแจ้งนั่นไงสำคัญได้แท้นะบทนี้สำคัญมากทีเดียวอะก็มองเข้าไปในใจแล้วเอบุญอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นมีอะไรอะมีแต่กายกับใจเท่านี้เอง ถ้าผู้ใดวิตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แน่แหละมันจะไม่ทำความเพียรแล้วเ พ, เพราะไม่เห็นบุญเห็นคุณนี่เห็นแต่กายกับใจอยู่เฉยๆอย่างนี้บทนี้นะว่าสำคัญพอได้เหมือนกันน ะ, ะเพราะว่าบุญก็ดีคุณก็ดีไม่มีรูปร่างอะไร ไม่มีรูปร่างเป็นแต่เพียงความรู้สึกในใจเท่านี้นะความรู้สึกใจสงบสบายเยือกเย็นอย่างนี้นี่นี่แหละเมื่อทำใจให้สงบสบายได้อย่างนี้เราจึงได้เห็นแจ้งในคุณพระรัตนไกยนี่ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงเพราะว่าการที่บุคคลจะให้ทานได้อย่างนี้นะจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ก็ดีจะขยันหมั่นเพียรเจริญสมถวิปัฒนานนี่ให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ก็เพราะตนเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละ พอรู้ชัดว่าอันที่ว่าพระพุทธเจ้าพ้นทุกไปได้นั่นก็เพราะพระองค์สร้างบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลในบริสุทธิ์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปนี่การที่พระองค์ จะคนทุกคนภัยไปได้นั้นเพราะพระองค์มาบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนี้เรามาทบทวนดูพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความดีมาอย่างไรเราก็รู้ได้ว่าอ้อจริงทีเดียวเพราะเมื่อพระองค์ให้ทานไปความโลภความตนิ่มมันก็เบาบางออกไปจากดวงกิจนี้ เมื่อพระองค์รักษาสินให้บริสุทธิ์ไปบาปประธรรมทั้งหลายมันก็ระ ง, งับไปจากดวงกิจนี้ผู้ใดเจริญสมาธิภาวนาไปความหลงความมัวเมาความไม่รู้จริงเห็นแจ้งก็ระ ง, งับไปความรู้ความเห็นอันแจ่มแจ้งก็เกิดขึ้นในใจแทน ความเมตตความเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันนั่นก็เกิดขึ้นมีขึ้นความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เกิดมีขึ้นหมายความว่าดวงจิตที่ละบาปออกไปได้แล้วอย่างนี้นี่มันก็ ความคิดที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เกิดขึ้นความเอ็นดูกรุณาในบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็มีขึ้นนี่พระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าอะหิ่งซาปรมาธรร ม, มาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อเรามาปฏิบัติตาม แนวทางที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้นั้นเมื่อก็ทำกิเลสให้เบาบางออกไปได้จริงเช่นนี้ก็ทำให้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำกิเลสให้สิ้นไปด้วยข้อปฏิบัตินี่จริงเลยไม่มีทางสงสัยนี่ก็ทำให้เราเชื่อมั่นในพระคุณทั้งสามนี่อย่างแน่นแฟ้นทีเดียวไม่มีทางเสื่อม เป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจใการที่บุคคลจะมารู้แจ้งในพระคุณทั้งสามนี่เนี่ยมันก็ต้องลงมือปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละไปก็เพราะเรารู้นี่ก็เพตที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะมาปฏิบัติพระธรรม นี่อันผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็ดีที่จะได้ละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นตามพระองค์ไปก็เพราะมาปฏิบัติพระธรรมนี้ถ้าเป็นฝ่ายบรรพชิตแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติในทีนปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในตน สิ้นสมาธิปัญญานี่เมื่อทําให้เกิดได้มีขึ้นในตนแล้วมันก็จะละความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทกิเลสชาติต่างๆอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไป <c oughs> นี่เรียกว่าผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มาปฏิบัติธรรมผู้จะเป็นพระสงฆ์สาวกก็มาปฏิบัติธรรม เหมือนอย่างคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบปลอยกันคนสามบ้านนั่นได้แก่บุคคลผู้ที่เกิดอยู่ในสามพบ การมาพบรูปประพบอรูปประพบเนี่ยผู้ที่จะไปเกิดในสวรรค์หกชั้นนั้นก็ดีผู้จะเกิดในพรหมโลกจะเป็นรูปประพรหมพรหมที่มีรูปก็ดีอรูปประพรหมพรหมที่ไม่มีรูปก็ดีล้วนแต่เมื่อเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยได้เพียรพยายามละบาป แล้วบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนด้วยข้อปฏิบัติสามประการดังกล่าวมานั้นเหมือนกันหมดเลยต่างใจว่าในการละกิเลสบาปธรรมนั้นมันก็ยิ่งกว่าการหย่อนขัวกั น, น, กกนไม่ไม่ใช่ว่าจะไปละกิเลสบาปธรรม ให้หมดสิ้นไปในขณะเดียวกันพร้อมกันได้ทั้งหมดไม่ได้ก็เพราะเหตุนั้นน่ะถึงแม้ว่าคนอยู่ในสามภพอันนี้จะมาปฏิบัติในตามพระธรรมคําสอนของพระเจ้านี่เหมือนกันก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าการปฏิบัติของคนทั้งหลายนี่มันนักยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันอแล้วก็ เวลาผลที่มันอำนวยให้ก็แตกต่างกันไปบางคนก็มีความสุขน้อยบางคนก็มีความสุขมากตามบุญตามกุศลที่ตนทานั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกันนั่นแหละให้พึงเข้าใจผู้ดใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ท้อถอยนะ จะต้องภาคเพียนพยายามไปกพถ้าอยถ้าท้อถอยเสียกิเลส่าปธรรมมันก็ลุกขึ้นครอบงำดวงกิจนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปนี่เป็นอย่างนี้เรื่องเรื่องที่ไม่ท้อถอยนั่นนะก่อนในเมื่อตนได้ละกิเลสจำหยาบมาอย่างนี้นะ แล้วก็ใจสงบลงได้เพราะละกิเลสหยาบอันนั้นมาเห็นรสชาติแห่งความสงบอันเกิดจากการละกิเลสหยาบๆยาบนั้นมาในขั้นนั้นแล้วก็นับว่าได้ท้นทุนแล้วนี่นออการละความโลภได้นี่มันมีความสุขอย่างนี้หนออย่างนี้นะการที่เรามาละความโกรธให้เบาบางออกไปจากดวงกิริย์นี่ก็นับว่ามีความสุข มากพอสมควรการที่เรามาละความหลงความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆเสียได้ไม่สงสัยลังเลในบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์หมูเนี่ยนับว่ามีความปลอดโปร่งใจสบายใจไม่ใช่น้อยอ่านี่แหละพอมามองเห็นการภาเพียนพยายามละกิเลส ด, ดังกล่าวมานี่ ออกจากใจแล้วเห็นผลคือความสงบใจจากกิเลสเหล่านี้นะนี่เลยชื่อว่าเป็นทุนเบื้องต้นทีเดียวะทําให้คนเราขยันทําความเพียรเพื่อลั ก, กิเลสส่วนกลางหรือส่วนละเอียดนี่ให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วตนจะก็จะได้รับความสุขยิ่งไปกว่านี้เป็นความสุขอันมั่นคงถาวร จริงๆนี่มันก็มองเห็นล่วงหน้าไว้อย่างนี้แหละจึงไม่ท้อถอยในะการทำความเพียร น, นะถ้าหากว่ามองล่วงหน้าไปมองไม่เห็นแล้วก็ไม่อยากทำความเพียรแล้วคนเราอเอา้าก็มันมองไม่เห็นผลล่วงหน้าไว้นี่มันจะขยันอย่างไรเหมือนอย่างคน ทำการค้าหรือทำสวนทำนาก็ตามแหละก็มองล่วงหน้าไว้ว่าเมื่อเราทำการค้าขายสินค้ายอย่างนี้นะมันจะได้กาไรงามเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้นะพอเมื่อมันมองเห็นกาไรอยู่เบื้องหน้านั้นแล้วนี่มันก็ทำให้ขยันทาการค้าอะไรแบบนี้คนเราอะ่ะเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่ามองไม่เห็นเลยว่าทําการค้าขายอย่างนี้มันมันมองไม่เห็นกําไร อ, อย่างนี้แล้วใครจะไปลงมือค้าล่ะไม่ค้าแล้วไม่เสี่ยงแล้วออันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> เมื่อบุคคลมองไม่เห็นรูปทางของการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธ เ, เจ้านี่นะ มันก็เกียดติลานนะอืะไม่ขยันมั่นเพียนได้ดังนั้นนะ่ะให้พึ่งพากันศึกษาจงังหวะพึ่งพากันฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังคําสอนของพระตัวเจ้าเข้าไปแล้วมันก็พอที่จะคาดการได้แบบนี้นะอืเพราะว่าพระองค์เจ้ากระซงแสดงทำเนี่ยมีทั้งเหตุมีทั้งผลประกอบกันไปได้ ไม่ใช่พระองค์แสดงแต่เหตุผลพระองค์ก็แสดงก็เช่นอย่างว่าสีเลนะสุขสิงยันติอย่างนี้นะผู้มีศีลจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นี่การรักษาศีลนั่นก็ได้ชื่อว่าทำเหตุแห่งความดี เมื่อหมดอายุสังขารลงแล้วอนิสง์แห่งศีลนั้นจกนำดวงกิจนี้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้นี่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีทั้งเหตุมีทั้งผลอย่างนี้แต่ถ้าใครไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี้แล้วก็มันก็ไม่รักษาศีลตามแล้นั่น ไม่เชื่อว่าอกพระพุทธเจ้าในทรงสอนให้คนทาดีต่อกันในโลกนี้เท่านั้นหรอกไม่มีทางหรอกที่ว่าจะไปสวรรค์ด้วยการรักษาศีลอย่างว่านี่ถ้าไปคิดเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่รักษาศีนนะ มันก็อ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่า้ารักษาศีลแล้วก็ไม่ได้อยู่ได้กินอะไร ม, มันขัดข้องทำการค้าการขายโมนี่มันล้วนแต่โกหกฉะนั้นถ้าไปไปรักษาศีลแล้วทำการค้ามันจะมีกําไรได้อย่างไรทำนาทำสวนก็เหมือนกันเนี่ย สำหรับสมัยปัจจุบันนีนะ่เป็นปัญหาใหญ่เมื่อปลูกพืชอะไรลงไปแล้วอย่างนี้มันก็มีศัตรูพืชเกิดขึ้นมีตัวแมลงอะไรต่ออะไรมากัดกินต้นหมากลากไม้ต่างๆหม่นั้นถ้าอย่างเป็นต้องไปฉีดยาป้องกันไว้แต่ คนทั้งหลายเข้าใจว่าฉีดยาฆ่ า, มาแมลงและ้วแนี้นะนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้ล่ะจะทำอย่างไรมันจึงจะมีศีลได้ถ้าไม่ฉีดยาอย่างนั้นการปลูกพืชต่างๆลงไปในดินนั้นก็จะไม่ได้รับผลเลยนี่มันก็คิดสงนภายในจิตใจอยู่มากมายเหมือนกันในะเรื่องหมู่นี้นะ ดังนั้นมันก็ต้องอาศัยปัญญาบ้างแหละคนเรานะ่ะเข้าทํานองที่ว่ามันต้องล้อมข้อไว้ก่อนวัวควายหายอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องฉีดยากันไว้ก่อนที่จะเกิดตัวแมลงต่างๆขึ้นมาถ้าฉีดยากันไว้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้น อันนี้ถ้าปล่อยให้ตัวแมลงเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงไปฉีดยาอย่างนี้นี่ตัวแมลงมันก็ตายก็อย่างว่านั่นเนี่ยมันก็ต้องมีอุบายปัญญาอย่างนี้คนเราเน่ย <c oughs> ถ้าผู้มีปัญญาแล้วนั่นน่ะก็จึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แม่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะก็มีคนถามอยู่บ่อยๆเลยนะ ขอแนะนำให้เว้นจากปานาติบาตอย่างว่านี้เห็นอย่างว่ามดมันขึ้นเรือนปลวกมันขึ้นบ้านอย่างนี้ถ้าไม่ขับไล่มันอย่างนี้มันก็จะเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนไปจะไม่อยู่เย็นเป็นสุขได้เลยหมูนี่จะทำอย่างไร ถ้าไปจ้างเขาก็เท่ากับว่าใช้เขาให้มาฆ่าสัตว์การใช้ผู้อื่นให้ฆ่านั่นก็นับว่าเป็นบาปไม่ใช่เหรืออันนี้เพราะฉะนั้นจึงได้แสดงองค์ศิลไว้ให้คนฟังศิลข้อที่หนึ่งปาณาติบาตนี้ประกอบไปด้องค์ห้า หนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสามจิตคิดจะฆ่าหนึ่งสี่ทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายหนึ่งห้าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรหนึ่งอย่างนี้การฆ่าสัตว์นี่มันต้องประกอบไปด้วยองค์ห้าประการอย่างนี้จึงเป็นบาปเป็นโทษ ก็จึงได้ที่แจงองค์คาคุณของปานาติบาตินี้ให้พุทธบริษัทตั้งหลายฟังไว้เมื่อเรารู้องค์ห้าประการดังกล่าวมานี่แล้วก็จะรู้ได้ว่าการที่เราจ้างคนไปทำความสะอาดบ้านเรือนให้อย่างนี้นะ มันก็ต้องใช้อุบายตั้งความคิดความนึกลงในใจว่าเราจะจ้างคนให้มาไล่ปลวกไล่มดนี่ออกจากบ้านจากเรือนนี้ให้อย่างนี้ไม่เราไม่ได้จ้างเขามาค่ามดค่าปลวกนั่นแหละนะใหมาไล่ออกเฉย ไอการที่เขาเขาจะฆ่าเรื่องของเขาต่างหาก mm hmm. แต่เราไม่ได้เจตนาที่จะจ้างให้เขามาฆ่าสัตว์เหล่านั้น mm hmm. ก็จึงได้แนะนำไว้อย่างนี้เพราะว่าบาป ท, ทั้งหลายนะมันเกิดจากเจตนาเจตนาหังพิขเวปาปังวดามิ mm hmm. ดูก่อนพิสูงน์ไหล เราทถาคตกล่าวว่าเจตนาเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นแหละเป็นตัวบาปนั่นแหละเจตนาที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายนั่นแนะตั้งเจตนาเช่นอย่างว่าเราจะไปจ้างคนมาฆ่าพวกฆ่ามดนี่ให้ตายก่อนมันลําคาญเหลือเกินอย่างนี้นะ เมื่อไปคิดอย่างนี้แล้วก็ไปจ้างเขามาเมื่อก็เป็นบาปจริงๆนั่นนะ น, นั่นเรียกว่าทำโดยไม่ไม่ฉลาดขาดปัญญาถ้าเราจะใช้ํำนวนว่าเออนั่นแหละหีเกเลี่ยงออกไปอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้รับผิดชอบกับการกระทำของเขาแบบนี้นะนั่น เขาเป็นผู้รับผิดชอบเองผู้รับจ้างไปนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแม้สินข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะมันมันต้องเกี่ยวแล้วแต่ด้วยเจตนาจงใจทําจริงๆนะี่มันจึงเป็นโทษแต่ว่าสินข้อที่ห้านั่นน่ะ สุราเมระยะนั้นท่านกล่าวไว้ว่าถึงไม่เจตนาก็เป็นอันนั้นไม่เจตนาที่จะดื่มแต่ว่ามันจะเเพ้าขาดการพิจารณาเช่นอย่างว่าเขาเทเหล้าใส่แก้วแล้วยื่นมาให้นี่ตนไม่ได้พิจารณาไปสํสำคัญว่าเป็นน้ำธรรมดา แล้วก็ดื่มเข้าไปอย่างนี้นะพอดื่มก็อะไรจึงรู้ว่าเป็นเหล้าอย่างก็ไม่พ้นโทษก็เป็นโทษฉังนั้นถ้าผู้ฉลาดผู้มีสตินี่เขาส่งน้ำอะไรมาให้ใส่แก้วมาเราก็ต้องพิสูจน์ดูซะก่อนดมดูซะก่อนอ ม, มันก็รู้แล้วกลิ่นเหล้ามันเป็นอย่างไร มันก็รู้ัรู้แล้วมันก็ไม่ดื่มมันเป็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติใ่ข้อนี้นะเพราะเหตุว่าคนเรามันจะหาทางแก้ตัวถ้าใครเทเหล้าใส่แก้วแล้วส่งมาให้ไปดื่มเออเราไม่รู้ว่าเป็นเหล้าเราได้ดื่มไปเสียแล้วแหละ อ, อย่างนี้นี่มันก็ นวหาทางแก้ตัวอันนั้นมันไม่พ้นโทษเพราะนั้นเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจละเอียดอันข้อศีล น, นี่นะถ้าไม่พิจารณาให้ละเอียดไม่ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็อย่างว่านั่นแหละรักษาศีลก็ไม่ไม่คุ้มแล้วดังนั้น เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึ่งใช้อุบายปัญญาการกระทำคุณงามความดีต่างๆนี่นะถ้าขาดปัญญาซะแล้วมันจะไม่เจริญก้าวหน้าไปได้เลยบุญกุศลคุณงามความดีนี่มันจะเจริญไปไม่ได้เพราะมัน ขอยมีบาปมาขัดขวางไว้เสมอไปเป็นอย่างนั้นดังนั้ น, น, นพระศาสดาจึงได้สอนให้อบรมปัญญาให้เกิดพร้อมกันไป<ม>การภาวนานี่ก็เพื่อที่จะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยไม่ใช่มีจุดฟุ่งหมายที่จะเพียงแต่สอนให้ทำใจให้สงบลงไปเท่านั้น อย่างเดียวหามีได้มุ่งที่ให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกได้เท่านั้นเองเหมือนอย่างในในพระวินัยนะท่านอธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องกับพระพิกษุนีเดินทางไปอย่างนี้เมื่อไปเห็น ขโมยมันลักควายเขาจูงควายผ่านไปอย่างนี้พระนั่นก็พอสันนิษฐานได้แล้วว่าไอ้พวกนี้น่าจะลักควายเขามาอย่างนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวมาถึงตนอย่างนี้นี่ถ้าเผื่อว่าเจ้าของเขาติดตามมาเขามาถามตนนี่ ถ้าตนจะบอกเขาโดยตรงอย่างนี้นี่มันก็ไม่ถูกต้องไม่ดีมันจะทําให้พวกโจรพวกขโมยนั่นถึงซึ่งความทิพหายถ้าตนจะพูดเราไม่เห็นโดยตรงอย่างนี้ตนก็จะเสียศีลเป็นโกหกไปอย่างนี้นี่ท่านสอนให้ใช่อุบายว่า เมื่อตอนยืนอยู่ที่นี่เห็นเขาลักควายจูงควายผ่านไปอย่างนี้หรือว่าตนนั่งอยู่ที่นี่เห็นเขาจูงควายผ่านไปโดยควายลักมาเนี่ยตรงก็ลุกจากที่นั่งนั้นไปนั่งอยู่ที่อื่นสักแต่ถ้าหากว่าเขาเจ้าของควายเขาติดตามมาเขามาถามอย่างนี้ ก็จะต้องตอบเขาว่าอาจะมามันนั่งอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นโยมอมเลยมันก็เป็นนั้นว่าพ้นไปได้พ้นผิดไปได้อันนี้เลยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกเพราะว่าตอนมันนั่งอยู่ที่นี้ไม่เห็นจริงๆริงนั่นเรื่องอุบายการหลีกเลี่ยงจากโทษต่างๆหมู่นี้มันมันต้องมีอุบาย <c oughs> เพราะว่าบุญกับบาปมันเป็นศัตรูต่ อ, อ ก, กันและกันดังกล่าวมานั่นเนี่ยดังนั้นบุญนี่มันก็หมายถึงดวงปัญญานั่นแหละเมื่อบุคคลบำเพ็ญด้ ม, มากๆเข้าไปแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นนะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถถอนตัวออกจากบาปกรรมมันนั้นได้เหมือนอย่าง ลูกสาวเศรษฐีดังที่ก็เคยนำมาแสดงให้ฟังอยู่ได้ผัวเป็นโจรเนี่ยโจรนั่นมันของคนมีบุญน้อยเนี่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรที่จะไปครอบครองสมบัติเขาได้เพียงไดเห็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายของภรรยาเท่านั้นก็อยากได้แล้ว อยากได้เครื่องประดับอันนั้นไปขายซื้อเหล้ากินก็จึงได้โกหกภรรยาเออเราจะพ้นจากถูกฆ่าตายมานี่ก็เพราะว่าเราไปบ่นเทวดาอยู่นู่นภูเขาลูกนั่นนู่นเราพ้นตายมาได้นี่ก็เพราะเทวดาช่วยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องไปสังเวยเทวดา ให้เธอจัดของสังเวยเทวดาแล้วเรามาไปกันพัรยาก็เชื่อว่าเป็นความจริงก็จัดเครื่องสังเวยต่างๆข้าต้มขานนมอะไรต่ออะไรก็ตามกรรมวิธีของเขาเนียก็ไปกันพอไปขึ้นไปถึงบนภูเขาน้นแล้วมันเป็นเหวอ่ะภูเขาลูกนั้นเน่ะ บ้านี้ฝภรรยาก็บอกว่าถึงแล้วพี่ทําพิธีสังเวยเทวดาเสียบ้านี้เนี่ยมันไอฝ่ายสามีก็บอกภรรยาว่าเฮอเราไม่ได้ตั้งใจจะมาสังเวยเทวดาอะไรหรอกเรามานี่เราลวงเธอมาเพื่อที่จะมาฆ่าเธอแล้วจะเอาเครื่องประดับของเธอไปขาย เอาเงินมาซื้อเหล้ากินดังหากนี้ฝ่ายภรรยาก็กลัวตายทีแรกก็อ้อนวอนขอชีวิตไล้แต่เครื่องประดับอยู่ในกายนี้จะยกให้หมดเลยแกก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้าหากว่าเธอกลับไปบ้านแล้ว